ใครได้ยินเสียงะระฆังแล้วรู้สึกเป็นสุขเห็นทันไหมเห็นไหมใจมันถึงเป็นสุข mm hmm. ฮะเพราะอะไรมันมจับเอาเสียงะระฆังจำได้ว่าเสียงะระฆังหมายรู้ว่าเลิกแล้ว อ่ะสามโมงครึ่งแล้วมีใครอยากมีคําถามอะไรไหมใครมีคําถามอะไรไหมจ้าถ้าเห็นความเหินคิดแล้วกลับมาอยู่ที่คัารู้สึกตัวตอนแรกที่พอกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวแบบมันจะกระทำกระชา่าตัะเลยแต่พอทําไปนานๆมันจะรู้สึกก็แค่กลับมารู้สึกตัวอย่งนี้ถือว่ามาถูกมาถูกทางแล้ว เราจะสงสัยเอ๊ะแล้วแล้วแล้วมันจะไปเห็นความคิดไปเห็นรายละเอียดได้ยังไงแต่เมื่อถ้ามันกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวความคิดที่มันไม่มีกำลังมันไม่มีผลอะไรกับเราแต่เชื่อเถอะถ้าไอ้นั่นไอ้นไอ้ไ ห, น, ไห น, ม น, มนมันมีกำลังเนี่ยมันไม่กลับมาง่ายง่ายอะแล้วมันนั้นเราจะได้โอกาสเรียนรู้เข้าใจไหม การที่เราฝึกปุ๊บมันออกปั๊บเห็นปั๊บกลับมาได้ปุ๊บแรกแรกอาจเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอะไรดีวะชงช่างอ่ะใช่ปะแต่พอตอนหลังๆมามันเริ่มเนียนขึ้นกลับมาสบายๆกลับมารู้ตัวสบายๆไม่เหมือนกับกระชากไม่เหมือนชงช่างอ่ะมันนิ่มนวลกว่ายิ่งต่อไปยี่งจะนิ่มนวล ความคิดมันก็เก่งขึ้นอีกค่ะพ่อจายตอนแรกพี่แบบพอคิดไอ้พวกจะมาปีด๊ด่ะมาแปะอะไรดารานเพลงอะไรเงี้ยมันก็กลับอาไว้ขึ้นแต่พอเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเนียนขึ้นมันจะมีความรู้สึกจําเป็นจําเป็นดูเป็นเรื่องจําเป็นดูเป็นเรื่องมีเราเป็นเรื่องของเรามีเราเกี่ยวข้องนี่แหละเห็นยังไอ้ไอ้ความคิดแบบสเพเฮระดูไร้าสาระเนี่ยมันจะถูกเขียยทิ้งทันที แต่ความคิดที่มันเริ่มมีควาว่ามีเรามีตัวตนของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรามีเราได้เราเสียพวกเนี้ยมันจะเริ่มเห็นชัดว่ามันมีตัวจเจือจะมีอาการยืดเดียสังเกตดูไหมนั่นละดีมากนั่นแปลว่ามันเริ่มกรองแล้วสติความรู้สึกตัวมันจะเริ่มกรองเอาขยะออกเอาขยะออกมันเพิ่มเป็นมันเข้าเลเวลที่สูงขึ้น แรกๆ แ, แล้วก็ไปเจอกับไอ้ด่านกระจกกระจอกอะตอนนี้มันเริ่มมีด่านที่เป็นตัวตัวหหน้านิดหนึ่งแต่ยังไม่ถึงนั่นเดี๋ยวจะไปเจอหัวหน้าด่านนี่แหละมันนี้เป็นอย่างนี้แหละดีแล้วมาถูกทางมาถูกทางดีแล้วเนี่ ยังเพิ่วมาแค่ตรงนี้บอกสู้ไม่ไหวนี่เนี่ยมันต้องเร็วขนาดมันต้องเร็วมากมันรู้สึกมันเร็วที่ยราเกิดขึ้นเร็วมากเห็นพวกมันใสต่อเลยมันเร็วสายฟ้าแลบอยู่แล้วความคิดเพราะฉะนั้นมันต้องม o d ฟายจิตเราให้เร็วแรงทะลุ <c oughs> fast and furious <c oughs> ตามไปมัน มันเร็วแรงเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างให้จิตมันไปทันจิตตอนนี้จิตเรายังไม่ตื่นเต็มที่มันมันถูกความเคยชินถูกความไม่รู้ครอบงามานานอันนี้พอเราให้มันเริ่มเรียนรู้รู้ทันขึ้นรู้แลาต้องทําอะไรหมายถึงว่าจับงานให้มันถูกแล้วขาเนื้อมันจะทํางานได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเราไปใช้สเปซสปะไปทั่ว เผื่อเขาพามัไปคิดอะไรไม่รู้จนมันรู้สึกเหนื่อยหนายเนื่อยลาเหนื่อยล้ะจิตมันเหนื่อยละแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเอามันมาดูกายเอามันมาดูใจใครนี้พอมันเริ่มพบแรกแรกมันก็จะมีขยะเริ่มเกลี่ยขยะออกเกลียขยะออกมันจะใสขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้แหละที่อาจารย์ตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจหลวงพุอเทียนบอกเวลาเราขุดบ่อน้ำพอเราไปเจอตาน้ำน้ำมันจะไหลออกมาเรามีหน้าที่ตักน้ำทิ้งตักน้ำทิ้งแรกแรกมันไหลยออกมาเยอะมากตักทิ้งไปเรื่อยๆตักทิ้งไปเรื่อยๆตักทิ้งไปเรื่อยๆพอเลยออ ร, รู้ไหมพอน้าแรกๆที่ออกมานั้นมันจะผสมโคลน สมครนต้มมันจะขุนแต่ไม่ได้ก็ตามที่เราตักตักทิ้งไปตักทิ้งไปตักทิ้งไปตัทิ้งไปปุ๊บขายนี้มันจะเหลือน้ำาคนต้มจะถูกทิ้งไปด้วยแล้วมันจะเริ่มมีน้ำใสๆมาขึ้นมาขึ้นพอน้ำมันใสเจ้าลงบุษเรียนบอกเห็นหมดเลยอะไรอยู่คนบอกเห็นหมดเลยมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นเห็นหมดพอน้ำมันใสแล้วเหมือนเหมือนกัน ตัวความรู้สึกตัวของเราเหมือนกันไปเจอความคิดเจออะไรพวกมันทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเดี๋ยวมันเริ่มมันจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นแล้วมันจะเห็นชัดว่ามีอะไรอยู่ในความคิดนั้นโอเคเช่นะอาจารย์ถ้าเราเห็นแล้วมันไม่ดับแล้วค่ะก็ไม่ดับก็เรื่องของมันเราก็รู้สึกตัวของเรารู้สึกตัวแต่ว่า มันไม่เต้เห็นอยู่มันไม่ดับเราก็ช่างมันเราก็รู้สึกตัวต่อไปอย่าไปคาดหมายว่าฉันเห็นแกแล้วแกต้องดับทําไมอ่ะเห็นแล้วทําไมไม่ดับอ่ะทำไมหนูเห็นแล้วไม่ดับปอาจารย์คนอื่นบอกเห็นแล้วดับเห็นแล้วดับแล้วทำไมหนูเห็นไม่ดับก็หนูไงเพราะนั่งคนอื่นไง <laughs> เข้าใจความหมายไหมนี่ <c oughs> เราคือเรา <c oughs> เขาคือเขาเรามีหน้าที่รู้ เราทําความรู้สึกตัวไปยังทำไมไม่ไบ้ะ่ะเนี่ยทําไมไม่ได้ะ่ะเนี่ยเราทุกขแล้วนะอ๋อยังไม่ไดบเลยไม่เป็นไรอ๋อยังไม่ไดับีบแลไม่เป็นไรเข้าใจยังเออทําอย่างนี้จะมีตัวช่วยอะไรที่ทําให้ความรู้สึกตัวพัฒนาและดีขึ้นไหมคะหายถึงว่าเราปฏิบัติมาแนละ้วสังเกตความตั้งใจ ความตั้งใจกับการเคลื่อนไหวความตั้งใจกับการเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งใจทําจะเป็นตัวทําให้เป็นกรอเป็นกรรมเป็นคําใหญ่ๆไม่ใช่เป็นพวกน้ําจิ้มน้ํา ย, ย่อยเรียกน้ํา ย, ย่อยไม่ใช่แต่นี่คือเมนคอร์สของอาหารเลยตบแต่ละคําเสร็จแล้วสังเกตสังเก ต, เกตดูว่า อืเห็นความสังเกตเห็นมันตัวเนี้ยช่วยได้แต่เร่งปฏิกิริยาให้ภาวะความตื่นรู้มันชัดขึ้นเรื่อยๆโอเคเชิญที่คุณบอกว่าดูต่อไปแล้วมันจะมียนไรืยยิงการเห็นเกินดับหรือว่าเห็ือนเห็นตัวว่าเราเราบังคับไม่ได้ ที่ผ่านมาบทีมันเคยเห็นว่ามันชัดแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนเหมือนมันก็เออไม่เห็นแล้วมันเกิดขึ้นเองแต่มันมันไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนมันใช่มันเรียนหรือเปล่าว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราปัติไม่ไม่อ๋อนี่ไงมันไม่เที่ยงจากที่มันชัดเอามาชัดเสแล้วแต่สักพักเอาชัดมาอีกแล้วเนี่ยเออขาใจยัง ก็ไปทั้งมันนี่แหละมันมีอะไที่รู้รู้ก็มันมันเป็นเช่นไรรู้เป็นเช่นนั้นพราะพระเจ้าบอกว่ามันเป็นเช่นใดให้รู้มันเป็นเช่นนั้นเอออย่าเอาความคาดหวังของเราว่ามันต้องรู้อย่างนี้สี่มันต้องเป็นอย่างนี้สี่ถ้าเราบอกถ้ารต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เป็นนี้ไปว่าเราเอาตรงความต้องการของเราเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นนาทีนี้มันเป็นอย่างนี้นาทีนี้มันเป็นอย่างนี้นาทีนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือการเห็นตามความเป็นจริงนะ โอเคไหมเอ้เช่นฮะคือมันมันจะเป็นสองสองรูปแบบนะรูปแบบหนึงคือเราเหมือนเราเห็นความคิดเราว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็จะเห็นภาพเป็นว่าเราทำบบนี้นี้แล้วเราก็ทำตามลงไปตามอย่เนี้ยอันนี้ก็เือนนว่าเออเราเหมือนกับเราส ต, าตาิกำลังไม่พอมันก็ตกคือทําตามทีเลสยวไ ออืแม้เห็นว่ามันความคิดปรากฏว่าให้ทําแบบนี้แล้วเราก็ทากับมันไปอืมันจะเห็นภาพเลยนะคะว่าเราจะยิ่งนี้นี้ลงไปนี้แล้วเราจะตีสองเปนสี่ไปอ่ะขอาดยาวนี่เขาเป็นอย่างที่เราเราเห็นเราเห็นความคิดนะคะว่าเราว่าเราอยากจะจะทําแบบนู้แต่ว่าปรากฏว่าคือเราไม่ได้ทําแต่เราแบบไปเห็นเป็นเป็นภาพในมุมทู มันจะทําประมาณอย่างนั้ น, นค่ะ ท, ทำทำภาพทางประมาณอย่างนั้นซึ่งเป็นที่ที่เราคิดว่าเราเราจะระยากจะทำอย่างนั้นโอเคการที่เห็นอาการนี้เขาเรียกว่าเห็น mm hmm. เห็นจิตมันสั่งการกายจิตมันจะสั่งการกายในรูปของความคิด mm hmm. มันสร้างภาพขึ้น mm hmm. แล้ว แล้วภายในชั่ววินาทีนั้นกายจะทําตามภาพนั้นอันนี้อันนี้อันนี้จริงเราจะเข้าใจคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาา่าวชัดมากเลยคือจิตมันจะสั่งการกายเนี่ยผ่านรูปภาพผู้พิพากษาจะเอื้อมมือไปจับตรงเนี้ยเข้าใจไหมมันจะเป็นภาพก่อนเลยนะเป็นภาพเป็นภาพพระอากษาเนี่ยเอื้อมมือไปจับตรงเนี้ยตำแหน่งนี้ด้วยความเร็วประมาณนี้ทําอย่างนี้ จากนั้นภายในช่วงเวลานั้นมือจากรก็จะเคลื่อนไปจับตำแหน่งนั้นความเร็วเท่านั้นไปอ่าใช่ถูกต้องจิตมันสั่งกายถ้าเราเห็นอย่างนี้ไปได้สักพักเราจะเห็นกระบวนการที่เราจะเห็นกระบวนการหนึ่งเกิดขึ้นคือเราจะเห็นกระบวนการลอกเลียนแบบกายเนี่ยดำเนินผ่านการลอกเลียนแบบ ภาพแล้วภาพนั้นมันมาจากไหนทีเนี้ยเคยได้ยินคำว่าทําไมน้องทําไมพี่น้องจะเดินเหมือนกันเคยได้ยินไหมพี่น้องทําไมถึงเดินเหมือนกันทําไมพี่น้องน้องจึงมีพฤติกรรมเหมือนพี่เคยได้ยินไหมเคยเห็นไหม เ, เหหมพราะอะไรรู้เป่า <S 2> <S 2> <S ถูกต้อง <S <S <S ตั้งแต่น้องเืิมตาขึ้นมาในโลก ก็จะเห็นภาพที่พ่อแม่ทําแต่รู้แต่เขาเขาไม่รู้ว่าถูกผิดดิชั่วเขาไม่เข้าใจหรอกแต่กระบวนการภาพเรนั้นมันถูกบันทึกไว้แล้วเพราะว่าถึงเวลาเขาจะใช้เขาจะเขาจะเดินภาพพี่เขาเดินภาพพ่อแม่จะจะปรากฏขึ้นแล้วเขาจะเรียนแบบตามตามท่านั้นทันทีด้วยองศาเดียวกันจังหวะจับโคนเหมือนกันคันจะใช้คำว่าจริยาณ สำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลเคยได้ยินไหมอันนี้ไม่ใช่คาําด่าแต่คนออามาใช้เป็นคาําด่าแต่คำคำต้องการให้เข้าใจว่ากริยาที่ออกมาก็คือก็คือมันถูกหล่อหลอมมาด้วยด้วยคนในครอบครัวแบบเนี้มันก็จะมีกิริยาคือมันเรียนแบบกันกระบวนการนี้เราจะเห็นเลยว่ามันเกิดกระบวนการลอกเรียนแบบชีวิตเราอยู่กับการลอกเรียนแบบจริง จะกินอย่างลอกเลียนแบบเลยจะกินจะเคี้ยวจะทําอะไรทุกอย่างมันผ่านกระบวนการลอกเลียนแบบมีภาพต้นแบบเสมอทีนี้ถ้าเรารู้ทานกับมันจะเกิดการหนึ่งทักท้วงตรวจสอบจาเป็นต้องทํำไหมบางอย่างไม่จำเป็นต้องทํงาเราก็ไม่ทําปุ๊บแล้วเราจะเห็น อ, อ๋อไม่จำเป็นต้องทํงากับมันหรือบางที มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทําไปทําไปแต่ให้เห็นว่าทั้งหมดมันมีกระบวนการสั่งการโดยจิตสั่งการกายในรูปแบบของความคิดเป็นภาพแล้วเราก็ทําทํา ท, ท, ทำทำไปมันไม่มีผิดไม่มถูกนะตรงเนี้ตรงเนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่คือมันเป็นแค่การลอกเลียนแบบแต่ความรู้สึกเป็นผิดเป็นถูกมันต่ออย่างนั้น ตรงที่เราเริ่มยินดียินไละ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น อ, อันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาละแต่ถ้าเราทักท้วงตรวจสอบได้แต่แรกมันก็จบใช่ไหมเอาแบบไหนดีละ่ะเอาที่เราทักท้วงตรวจสอบก่อนไหมหรือทําไปแล้วแล้วมาตัดความยินดียินไลยทีหลังมันมัน มันดีแล้วที่พี่เห็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นอย่างเงี้ยดีละต่อไปมันจะเห็นชัดขึ้นเลื่ลยเราเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้ชีวิตมันอยู่กับภาวะแห่งการลอกเลียนแบบซะจนแบบเราเราไม่ได้ดำเนินชีวิตบนตัวเราเองอะ่ะเข้าใจไหมเรานึกว่าเราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานที่เราคิดเองทาเองอไม่ใช่อ่ะ มันกลายไปว่าเราเราถูกบงการด้วยกระบวนการลอกเลียนแบบแต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ทันบัตรนี้เราจะเป็นอิสระและสามารถเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอันนั้นแนะ่ะคือความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะมีพฤติกรรมที่เป็นของเราเองได้เข้าใจไหมอย่างบางทีอาจารย์พูดอาจารย์ยกมือขึ้นอย่างเนี้อาจารย์ก็พูดยกมือขึ้นี้ เห็นเลยนะว่าเรียนแบบอาจารย์ยันตะจริงๆมันเป็าอาจารย์ยันตะยกมือขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแล้วมืออาจารย์ก็ยกต่เห็นเลยอ่ะเห็นแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรไงก็ทําไปก็เป็นไรแต่เห็นเลยนะเห็นเห็นเห็นว่านี่เนี่ยเนี่ยมันมีภาพต้นแบบแล้วเราก็ทําตามนั้นเพราะรู้สึกที่ อะไรเนี้ยเคือมันมันการไปสมมติบัญญัติบางอย่างที่เราเห็นข่านั้นแล้วเราเห็นในในปกหนังสือไงเข้าใจความหมายไหมเห็นในปกหนังสือแล้วโอ้ยเท่อะเท่แล้วมันประทับลงไปแล้วตัวมันก็เริ่มทําตามทําไมอยากทํำเนี่ยเริ่มเริ่มทําตามอาจารย์เท่จริงไหมไม่รู้ มีไหมเชิญฮะมีคําถามมั้ยเราจะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันยังไงหมายถึงการการเคลื่อนไหวการเอาการเคลื่อนไหวทำกรรมฐานนี่ใช่ไหมการทากรรมฐานแบบการเคลื่อนไหวมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันยังไงใช่ไหมวิธีที่ง่ายที่สุดคือทําอะไรให้ตั้งใจทําตั้งใจตั้งใจตั้งใจหยิบอะไรก็ตั้งใจหยิบทําอะไรก็ตั้งใจทําอืม คลดแห่งการที่จะทำฮะคือพอเราตั้งใจปุ๊บมันอยู่ปัจจุบันพอตั้งใจใจอยู่ตรงนั้นพอใจอยู่นั้นภาวะรู้ปรากฏขึ้นตรงนั้นเป็นปัจจุบันขณะทันทีแค่ตั้งใจทําไอ้เคลดเนี้ยอาจารย์มาเจอตอนหลังจากที่อาจารย์อ่านหนังสือท่านติดนัดหันหแล้วอาจารย์ไม่รู้เรื่องปัจจุบันคือเวลาประเสริฐสุด หลวงปู่เพื่อานบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านหนังสือที่ดีแล่มหนึ่งเลยก็ไปซื้อมาอ่านดิเปิดอ่านเมื่อเธอจะชงชาเธอจงชงชาให้ดีที่สุดเมื่อเธอจะดื่มชาเธอจงดื่มชาให้ดีที่สุดเมื่อเธอจะล้างถ้วยชาเธอจะล้างถ้วยชาให้ดีที่สุดปฏิบัติตรงไหนวะ จำได้ไหมที่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่อัปเดตข้อมูลอาจารไม่อัปเดตข้อมูลเพราะหมัวจะไปเรื่องสงบใ่มันไปตั้งมันเรื่องความสงบไงจะทํายังไงให้สงบสงบพอมาเจอเจอคําสอนแบบเนี้ยแล้วมาปฏิบัติตรงไหนมันมีตรงไหนให้สงบมันมีบอกให้ล้างถ้วยช่ายดิตเมื่อนั้นทัติธรรมก็ไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ในสายตาแต่หลังจากที่พระอาจารย์มาเจอกับหลวงพ่อคำเขียน แล้วเราฝึกเรื่องการเจริญสติโดยหลวงพ่อบอกว่าตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งแล้วมันทำให้ชีวิตอาจารย์เปลี่ยนเมื่อนั้นอาจารย์ถึงได้รู้ว่าอ๋อแบบที่ท่านติสนาหันหบอกไว้นั่นแหละคือการปฏิบัติอันยิ่งยวดในใ น, ในวิถีชีวิตเลยพอทุกครั้งที่คุณตั้งใจทำก็คือทาให้มันดีที่สุดใช่หรือไม่ การทําให้ดีที่สุดมันต้องตั้งใจทําใช่ไหมอืมนั่นเองว่าไงเชิญมีพันนาค่ะการทําสมารถถ์า ท, าที่แบบทำกิบสีจังหวะาีีทํางพูดกันไปได้หรือว่าต้องเลือกทำแบบในกันอ๋อ แปลว่าทำสมาธิมาก่อนใช่ไหมไมเป็นไรหรอกทำสองอย่างก็ได้นะแต่ให้ช่วยสังเกตหน่อยว่าทำอย่างไหนแล้วมันทำให้เราตื่นรู้สังเกต ด, ดูแล้วมันจะเลือกเองอเคนะเอออย่างเวลา บางทีแบบนึกหน้าถึงหนกาคนไม่ชอบคือเหตุการณ์เนี่ยเราอารมณ์มันก็จะพุ่งมากเก่งมากที่เห็นอย่างนั้นตอบไม่ได้นะะก็เลยพยายามคิดหาอุบายแบบพอหน้าคนนี้พุ่งขึ้นมาก็พยายามหาเหมือนแบบงเขาก็บกบอกรียกว่ามันเก่ขาเรียกว่าเอาความคิดไปความคิดเอาความคิดไปจัดการความคิดวิธีที่คุณพูดอ่ะ เอาความคิดไปจัดการความคิดมันไม่จบมันซ้อนคิดวิธีการที่จะทำให้ความคิดที่แบบนั้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วแล้ววิธีจัดการกับมันคือกลับมารู้สึกตัวแต่ว่าแรกๆอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเพราะไอ้นั่น่ะที่เราไม่ชอบอะมันฝังมานานมันฝังมานานแล้วอยู่ๆจะถอนกลับมารู้สึกตัว ท, ทันทีเนี่ยอาจจะไม่มีกาลังมากพอ แต่ให้ทํำบ่อยๆอย่าเอาความคิดไปปกความคิดหลวงปู่เทียนอเอาคี้เป็ดไปล้างขี้ไก่คิดดูขี้ไก่ก็เหม็นอย้่แล้วคิดไปเป็ล้างทับหนักกว่าเ ก, า ก, ก่าอเข้าใจความหมายไหมออนะหลวงปู่เทียนเปรียบเทียบดีมากเลยนะเอาคี้เป็ดไปล้างขี้ไก่หนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมารู้สึกตัวแรกๆอาจจะอาจจะ ก, กลับมาได้ช้าหรือว่า ก็ไม่เป็นไรมันทํำมันทํำบ่อยๆแต่ไม่ใช่ลนลานออกนะเห็นหน้ามาแล้วอ๋อเหรอช่างแกเอาหม่อีกแล้วเก็ไม่เป็นไรวันนีอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้แบบแบบนี้ไม่ไม่ไม่มีทางหายเข้าใจไหมยิ้มๆยิ้มๆมาแล้วอโอเคมาก็ช่างแกช่างจุลินีย์ขโมยอออื้มอื้ม แต่าใจยังไม่ใช่แบบลุนลานลนลานถ้าลนลานลนลานแปลว่าเรามีตัวตนกับไปเรื่องนั้นแล้วเป็นผู้รองรับกันล้เกิด ค, ความหวาดกลัวเป็นพบเป็นชาตินะ้วเข้าใจไหมมีอุปทานน่ะมีอุปทานมันเกิดเป็นพบเป็นชาติแล้วเป็นทุกข์ละอพราะการกลับมารู้สึกกับความรู้สึกตัวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือ คือความรู้สึกตัวที่เกิดกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันทำให้ใจกลับเขินสภาพเดิมคือแค่รู้เข้าใจไหมใจจะมันจะสลัดทุกอย่างกลับไปแค่รู้เนี่ยมันมันเทคนิคที่ดีมากๆตรงนี้นเทคนิคที่ดีในการกลับมารู้กายเนี่ยมันจะทำให้ใจกลับเขินสภาพเดิมตันดีอันเนี้ยมันดีเนาะเจองน ะ, ะนะยิงไหม <c oughs> ถามจะเป็นธรรมทานกับเพื่อนด้วยตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบเ <c oughs> ชื่อเอะอาจารย์ไม่ใช่ตอบได้ทุกคำตอบตอบไม่ได้ทุกคำถามเรกเชื่อเถอะแต่ตอบได้ก็จะตอบเมื่อวามีคนถามเรื่องอะไรวะ เกี่ยวกับพระอรหันต์เนเกี่ยวกับพระอรหันต์ถามเสร็จมีการต่อท้ายห้ามตอบว่าไม่ใช่พระอรหรันต์มีการบังคับเราไว้อีกคือเขาถามมถามเว่าเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์เรื่องคารลมเรื่อ ง, อ, ง, อ, งอะไรกับพระอรหันต์นี่แหละพอถามเสร็จมีการบอกห้ามพระอาจารย์ตอบว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรือตอบไม่ได้ บังคับกูเลยอ่ยกะก็เลกงั้นพระอาจารย์ตอบแบบคิดเอาบอกให้ตอบขอให้ตอบตอบก็ได้ว่านี่คิดเอานะคิดเอาคิดเอาคาดคะเนเอาเจ้าน่ะมีไหม ถมงทําไมคิดว่าโง่อะทำไมเราไปตัดสินก่อนแล้วว่ามันคำถามโง่เอาว่ามาเราจะดูด้โง่จริงไหมก็เคยก็คือเคยสงสัยระหว่าสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานทีเนี้ยตอนที่ฝึกอย่างเงี้ยค่ะเราแบบรู้สึกฟูมากๆแล้วกลับมาไม่ได้เียบางทีก็แอบกับก็แอบกับมาอยบกับลมหายใจก็ออกพุทโธอะรเนียจัดวลายช้นเอาไว้ ก็เลยไม่แน่ใจว่าเราควรจะยังไงรคะรเวลาที่เราปรุงมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าเราก็บันทีมันกลับรู้สึกตัวยากมากทีมันปรุงไปถึงดาวังคารอะไรอย่างาเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางสิ่งบางอย่างอะอะไรที่มันช่วยได้ก็มาช่วยเธอเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแบบเราจมน้ำ จะจมน้ําฉันต้องมีต้องต้องมีเรือแบบนี้ท่านั้นมาช่วยฉันฉันต้องไปหรือต้องมีชูชีพในชูชีพไม่มีชุชีพอยู่ไหนขอนไม้อยู่ข้างๆอะ่ะความไม่ไเหอะเข้าใจความหมายไหมเออหรือมีหมาเนอกตัวนึ่งเลยมาอาจจะคว้าหมาเน่าให้รอดตายเอา้าทําไมอะ่ะใช่ไหมหมาเนอกอาจจะพยุงให้เรารอดอยู่ได้ก็ได้ เข้าใจความหมายนะที่จะ่างทีบางอย่างสัญชาตญาณมันจะบอกเราว่าเอาอย่างไรบ้างให้สัญชาตญาณมาทำงานบ้างอย่าเอาเหตุเอาผลมากนักเหมือนนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกกับแมวป่า <c oughs> เคยได้ยินไหม <c oughs> เ, คเคยได้ยินแล้งเงยอไแ้ะ มาจิ้งจอกเป็นลูกพี่แมวป่าสองตัวก็คบหากันหากินด้วยกันมานานแล้ววันหนึ่งมาจิ้งจอกหายไปเก้าวันหายไปเก้าวันแล้วกลับมาโดยมาดอันทรงภูมิมากเลยแมวป่ า, าลูกพี่ลูกพี่ไปไหนมาหายไปตั้ง9ก้าวันโอยผมคิดถึงลูกพี่มากเลยอะ มาจึงจอกยืดอกทรงภูมิพี่ไปเรียนวิธีการหลบหลีกภัยก้าวกระบวนกาหลบหลีกภัยมาสุดยอดมันไม่ธรรมดานะน้องอย่างถ้าภัยมาทางนี้ปุ๊บเราจะไปยังไงมันมีกระบวนการให้เราจัดการเป็นการหลบหลีกภัยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดละพี่ไปเรียนมานี่แปลว่ามันสุดยอด สดยอะไรหลงพี่ลูกพี่ลูกพี่สอนผมบ้างดีสอนผมบอกเออยากมากเลยเ้ยระดับมันสมองขนาดข้านี่กลัวจะได้เยก้าวันนี้เก้ากบวนท่านะเองโอ้ลูกพี่ครับขอสักท่าหนึ่งก็ยังดีเฮ้ยขอท่าหนึ่งก็ท่าหนึ่งขณะกาลังต่อรองขอกันอยู่นั้นก็มีเสียงดังสุดซับมีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากพุ่มไม้ มันสองตัวก็หันไปทางเสียงนั้นปุ๊บเมื่อนั้นนายพรานก็เล็งหน้าไม้มาทางมันสองคน <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> เสียงสุดทับนี่นคือในพรานลุกขึ้นมาจากพวมไม้เลง็งเล็งหน้าไม้มาที่มันเมื่อนั้นแมวป่าเห็นปับ๊บรีบระโดดหลบหลังต้นไม้ฟุ๊บพรยิิจอกอุ้ยกูจะไปท่าไหนอะ <c oughs> <c oughs> ภัยมาทางนี้กูจะไปท่าไหนจึ๊กตายคาที่แมวแมวป่าให้ลูกพี่ตายตันทาตาตาตบอกโโชคดีกูยังไม่ได้เรียนสักข้าโชคดีจังเลยกูยังไม่ได้เรียนสักข้าถ้ากูเรียนยู่กูตายแล้วเนี่ยเข้าใจไหม บางทีบางทีมันมันไม่ได้เอาเหตุเอาผลอะไรมากอ่ะเฮ้ยเอามาเอาสัญชาตญาณบางอย่างเข้ามาช่วยให้เอาตัวให้รอดอ่ะเข้าใจความหมายไหมถึงบอกว่าแมวหมาเน่าลอยมาก็คว้าไว้เถอะเจนเนอะมีอีกไหมไม่มีอ่ะ อันนี้ทานมาจิ้งจอกแมวป่านี่ได้ผลตลอดเลยนะจ ร, จริงไหมจริงไหมจริงเอื่อเราบางทีเราโม่แจะไปคิดเอาเหตุเอาผลเอาเอาสมถะไหมวิปัสนาไหมใช่สมถะใช่วิปัสนาไหมอุ้ยทําสมถะกลัวว่าจะกลายเป็นคมบางคนพราะอาจารย์โยมกลัวจะหลงไปทําสมถะเดี๋ยวจะกลายเป็นพคม เฉียดความทรงสักนิดนึงมันยังไม่เคยเจอเลยมันกลัวเป็นพรมก็เลยบางทีอยากบอกมันว่าเป็นพรมก็ดีแล้วเพราะตอนนี้มันกําลังเป็นเปรตอยู่ตอนนี้มันกาลังเป็นเปรตกําลังเป็นสนนรกอยู่มึงช่วยมัเป็นพรมทีเด้ออย่าไปกลัวเลยเข้าใจความหมายไหมเฮ้ยใจถ้ามันโกรธโกรธโกรธมันร้อนอยู่มันเป็นสนนลกไง ถ้าโลภะเขาครอบมากรามเป็นเปรตอยู่เข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มึงไปเป็นผมก่อนก็ได้ไหมยังไม่ถึงพระอริยะเจ้ามึงก็ไปเป็นผอมก่อนก็ได้นะแหมกลัวเป็นผมจที่จะให้ฟ้ามึงฟิลเลียก็คือรู้แ้นรู้แจ้คือการฝึกครับคือให้เวลาตัวนี้ให้เวลาตัวนี้ให้มาก เก็บเกี่ยวผสมเล็กผสมน้อยอในชีวิตประจำวันมีเวลาก็ใส่ ใ, สในรูปแบบแล้วใช้การสังเกตมาเสริมมาเติมกับสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตดูกายดูใจเราโอเคอ่ะมีไหมย <laughs> อยากฟังที่ทานอีก <laughs> วันนี้เข้าใจไหมในที่สอน <Okay. S 1> เข้าใจนะถ้ามีอะไรก็ไปหาเปิดดูยู u ูบได้นะ mm hmm. เขียนพิมพ์ g o o g ิ e หรือว่าไปที่ y o u t u ู e ก็ได้แล้วเขียนว่าพระอาจารย์คันชิตอกินโตนะถ้าเขียนพระอาจารย์คันชิตเฉยๆเนี่ยจะมีสามคันชิต ขันทีหนึ่งใส่แว่นตาขันิีหนึ่งจะผอมหน่อยแต่ขันชิได้กินจานต้องอย่างนี้ต้องคุนอย่างนี้เท่านั้นั <Okay. S 1> นนั้นของแท้หมดดหวยกันสองขันทีไดนะ้ของแท้ของแท้หมดแหละ <laughs> พูดถึงตรงนี้เนาะทำให้อาจารย์คิดถึงตอนอาจารย์ขึ้นประเทศที่เชียงใหม่ครั้งแรก จำไปเทศที่เชียงใหม่ไม่ครั้งแรกสิไปช่วงหลังๆแล้วล่ละที่ก็เริ่มนั่นแหละอยอมคนนิมนต์ไปขให้ไปพูดกับ อ, อืมอยู่ๆเขาก็พาเราไปเทศกับออผู้สูงอายุบ้านพักคนฉลาบ้านทับอั ป, รปรกรเ <laughs> จ้าหน้าที่ ก็เห็นว่าเราไปก็เตรียมสถานที่เตรียมโพเดียมเตรียมชื่ออป้ายชื่อเข้าใจไหมวางบนโพเดียมอย่างดีเลยอะ่ะแต่พออาจารย์เห็นป้ายชื่ออาจารย์บอกเขานิมนต์กูไปเนี่ยเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมพระอาจารย์คันชิตฉายาก็ไม่ใช่วัดก็ไม่ใช่จังหวัดก็ยังไม่ใช่เลย นี่มนต์เราเฮ้นี่มอนต์อาจารย์ไปเนี่ย้านีเอาทําไมล่ะครับก็ทัาไมเชืเชื่ออาจารย์มาเยี่ยมระอาจารย์ด้วยเอา้าก็ผมอ่ะผมได้ยินว่าพระอาจารย์คันชิตจะมาผมก็ไปเซิร์ชหาเพื่อจะทําปลายชื่อตอนรับผมก็เห็นอยู่เห็นวิรุษฎ์อ้วนแต่พอเขาบอกว่าเป็นพระกรรมฐานมาผมก็เลยไปเอาองค์ผมพอม ผมเลยแปลชื่อรูปองค์ผอมๆมาเลยเข้าใจไหมพอบอกว่าพระกรรมฐานมาเขาก็ไปลชื่อชื่อขององค์ผอมๆไงเขาเจอตอนแรกเจออาจารย์อยู่แต่เขาไม่เคยรู้จักอาจารย์ไงเข้าใจไหมแต่เขาบอกว่าพระอาจารย์กาะชิดเนี่ยเป็นพระกรรมฐานนะจะมาคุยกับญาติโยมบ้านพักคนชรามาสอนคนชราเขาวก็พระกรรมฐานก็ต้องหุนแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ พักกับแบล็ชื่ออาจารย์กันชิดอีกองหนึ่งอยู่นู่นคนะที่คนละชื่อเลยก็เลยบอกเออเนอะนี่แหละหุ่นไม่เหมือนพักกรรมฐานเพักกรรมฐานต้องมีหุ้นต้องหุ่นแบบกรรมฐานนี่อาจารย์หุ่นไม่เท่กรรมฐานขนาดไปเดินทุ่ดงกับเพื่อน เดินทุดงกับเพื่อนสมัยก่อนเดินทุดงลงภาคใต้เดินทุดงนู่นเดินเดินไปโ น, น่นนู่นไปไกลไม่ใส่รองเท้านะนี่เดินเท้าเปล่านะนี่เดินเท้าเปล่าแบกกดแบกบาทนะี่เดินเท้าเปล่าเลยนะเดินเท้าเปล่าทางลูกทางทางาดยางนี่กลางวันนี่หูร้อนมากเลยนะดูสิ กรรมฐานขนาดไหนเพื่อนยังบอกเลยไม่เหมือนเระเเพื่อรคุณท่านไม่เหมือนพระกรรมฐานเะาลบผมหุณมันพุกเจ้าคุณในเมืองพวกเจ้าคุณวัดหลวงในเมืองหารู้ไหมเรานี่แหละกรรมฐานเพราะเรา ใช่ไหมช่วยไม่ได้ถ้าเราจะเป็นพระกรรมฐานที่หน้าตาดีอ่ะไงทั้นก็หมดเวลาละก็ขอบ อนุโมทนาครับทุกๆ ท, ท่านนะที่มาพเพิ่มเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเพิ่อขนทุกข์ให้เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อเรื่องนี้เถอะนะตั้งใจเลยว่าชีวิตเราจะปฏิบัติเพื่อเรื่องเนี้นะปฏิบัติเรื่องอื่นไม่เอาให้ตั้งใจเลยว่าตั้งเป้าหมายตรงเนี้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเรื่องการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ให้มันเป็นสัมมาทิฏิ เพราะสัมมาทิฏฐิบอกว่าความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดับวงแห่งทุกและความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดําเนินไปให้ถึงความสิ้นทุกอายังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิอันนั้นเราจึงกล่าวว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุก์มันเป็นสัมมาทิฏฐิและที่สําคัญคือมันจะเป็นตัวเช็คเราเอง เตัวเช็คเลยว่าขนาดเนี้ยเรากําลังเรียนรู้รุ้นทุกและการดับทุกไหมหรือเรากําลังค่อยแขวะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของพีตยยยงพ่ตุยเข้าใจยังแต่พี่ตุยบอกกำลังหาคําตอบว่าจะไปตอบเพื่อนน่ะจิตเป็นนายกายเป็นเบาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรารู้อันนี้แล้วเราต้องรู้อะไรอีกลําดับขั้นที่ต้องเข้าใจต้องพ้นไปต้องเป็นยังไงกี่ายแล้วทั้งหมดมันคือตัวที่ทำให้ตัวเองไปทุกข์เท่านั้นน่ะ มันกลายว่าเฮ้ยเราไม่ไ้ปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกในการดับทุกแต่กลายเป็นเรียนรู้เพื่อให้ได้เพื่อให้เป็นเพื่อให้เอาเข้าใจความหมายไหมเออเพื่อจะได้เพื่อจะเป็นเพื่อจะเอาซึ่งในขณะที่มันมีความคิดดํำบีมาจะเป็นจะเอาให้ได้มันกลายเป็นทุก์ไปแล้วเข้าใจไหมแต่พอมาสะกิดใจเฮ้ยเราเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกหรือเปล่าพอย้อนกลับมาดูอ้าตอนเนี้ยเราเป็นทุก บรรทุกพลังอ๋อเพราะเราอยากได้แบบนี้เราอยากเป็นแบบนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรอย่างงี้อ๋อที่แท้มันตรงตอนนี้มันทุกข์แล้วนี่ทําไมดีขับ <c oughs> <c oughs> มารู้สึกตัวปุ๊บว่าทุกข์ดับแล้วแค่ น, นั้นเองเพราะจะมันเกิดมันก็จะเกิดกระบวนการคอยเฝ้าดูตัวเองว่าเป็นทุกข์ไหมการที่มันคอยจะดูว่าตัวเองเป็นทุกข์หรือไม่เนี่ยเขาเรียกว่าการกําหนดรู้ทุกข์เข้าใจไหม ทุกคือสิ่งที่ต้องกําหนดรู้นั่นแหละแล้วมันจะรู้เลยว่าที่มันทุกข้าใจมันไปคิดใจไปคิดอ๋อเหตุทุกข์มันอยู่ตรงนี้เข้าใจอย่างอ๋อเหตุเหตุทุกข์มันอยู่ตรงนี้สมุทัยตรงนี้ อ, อ้าวอ๋อนี่มั้กลับมารู้สึกตัวซะอา้าวทุกข์หายแล้วเนี่ยวาเอ้นี้เองมรรคเข้าใจอย่างแค่เนี่ยพอมันเข้าใจอย่างงี้ปุ๊บมันจะเดินเดินล่นมันจะเดินอยู่บนเส้นทางนี้ทันที มันจะคอยดูว่าตอนนี้เราเปทุกข์ไหมอ๋อเห็นแล้วเะว่าตอนนี้เปนทุกข์เพราะอ๋อเข้าใจแล้วต้องกลับมานี้อ๋อทุกข์ดับแล้วมันจะวนเวียนเล่นอยู่อย่างเนี้ยถ้าปฏิบัติอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตมันเบาแต่ถ้าต้องการที่จะได้ความรู้แบบนั้นความรู้แบบนี้นะเข้าใจสับนั้นเข้าใจสับนี้เข้าใจ ท, ท, ทํามสภาวะธรรมแบบนีน้แบบเขาว่าอย่างนั้นยังมันเป็นอย่างนั้น ชเชอหทุกแน่แน่ทุกโดยไม่รู้ตัวเพราะขณะนั้นตัวเองกําลังดไหลเข้าไปเป็นทุกเพราะการที่เราเช็คตัวเราตลอดว่าบัตรนี้เรากําลังเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุก์อยู่หนอะเดือน ต, ตัวเองตร ง, ต เ, งตเนี้ยเหมือนกับที่พระผู้ใหญ่ทำหของปู่มั่นอะเข้าใจไหมแล้วหลงวงปู่มันก็ตอบว่าก็นี่ตัวเองนี่แหละ ที่คอยเช็คตัวเองว่ามันเนี่ยเป็นทุกไหม้ก็ดับทุกมันซะทุกอย่างเป็นอย่างนี้เพราะแม่ครูอาจารย์เราก็พาเราทํามาอย่างนี้ท่านก็พาเราสังเกตดูมันเป็นทุกไหมถ้าเป็นทุกก็ออกจากทุกซะเป็นทุกกระดับทุกเป็นทุกกระดับทุกเราจะเป็นผู้ช่ำชองกับการกําหนดรู้ทุกและดับทุกเราไม่รู้เรื่องอื่นไม่เป็นไร เไม่รู้เรื่องอื่นไม่เป็นไรเราไม่เข้าใจเรื่องอื่นไม่เป็นไรหลังเราจะรู้รู้เรื่องทุกระดับทุกเพื่อที่ทําให้เราไม่ไม่ทุกเนาะเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้มันมันไม่เสียหายเลยต่อให้ไม่รู้ภาษาบาลึงมาเลียอะไรอะ่ะมีคนถามอาจารย์ออกอากาศด้วยถามเป็นภาษาถามว่าถามอาจารย์อะ่ะว่าจิตชื่ออะไรวะชื่อเป็นภาษาบาลีอะ่ะ ที่จิตเนี่ยบริบาลีอ่ะมันเป็นยังไงผมไม่รู้จักอาารตอบเลยบอกไม่รู้บอกอาจารย์ออก อ, อกาการอยู่ครับก็ไม่รู้แต่คุณลองบอกมาสิว่าไอ้ที่คุณว่าเนี่ยมันมีอาการยังไงถ้ามันมีอาการอาจารย์ฟังอาการแล้วอาจารย์จะเข้าใจแล้วเมื่ออาจารย์เข้าใจาอาการมันอ่ะได้ฟังเรื่องอาการพวกอาจารย์จะบอกคุณเองเลยว่า คุณจะต้องทายัางไงกับมันต่ออันเนี้ยอาจารย์รู้แต่ชื่ออาจารย์ไม่รู้เพราะอาจารย์เป็นคนไทยและเป็นคนไทยอีสานด้วยไ ม, ไม่ใช่คนอินเดียข้าจะเข้าหมายใช่ไหมแต่อาการทั้งหมดมันไม่ได้เป็นภาษาอาการมันเป็นอาการมันไม่ได้เป็นภาษามันไม่ได้เป็นชื่อมันเป็นอาการ เพะั้นาอาการเราเข้าใจทำงานในอาการเราจะเข้าใจมันเนาะก็ฝากเราไว้ให้เรียนรู้รื่องทุกข์ในการดับทุกข์อย่าคุยเคลื่อนจากเรื่องนี้เนาะก็ท้ายนี้ก็ขออเมงอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องด้วยศีลและธรรมอันไม่เป็นไปได้วยการเบียดเบียนตัวเองไม่เป็นไปได้วยการเบียดเบียนผู้อื่นก็ขอให้สําเร็จสำแดังปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนนาน เพราะมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญสติสมาธิภาวนาเพื่อจะมีโอกาสเข้าถึงธรรมเบื้องสูงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงในปัจจุบันในชาตินี้และชาติใกล้ๆนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอยะทาวริวะฮ า, าปุราปาลิปุเรนตีสาขารางังเอวเมวยัยวตอินนางเปตานางังอุปกปติ อิติตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวสมิฉัตูสะเบปุเรนุสังกปาจันโดมนาลาโสยธามณิโชติลาโสยธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสภารูโควินาสตุมาเตพวาดวันดาราโยสุขีทีฆายุโกภวาอภิวาธนาซีิสสานิจังวุทธาปปะจายโน จตารธุธรร ม, มวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง